การบรรยายเรื่องการแผ่เมตตาในวันนี้ผมจะใช้เวลาในช่วงแรกอธิบายหลักการทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนแล้วก็จะให้ท่านได้ฝึกปฏิบัติในช่วงหลังขอให้ได้ฟังเรื่องนี้ด้วยจิตใจที่สงบแล้วก็ปล่อยวางการแผ่เมตตาเนี่ยจะมีสิ่งที่เราจะต้อง ทำควบคู่กันไปในทุกๆกรณีอยู่สองจุดในส่วนหนึ่งก็คือการสร้างพลังเมตตาจิตให้เกิดขึ้นในดวงความคิดของเราการสร้างพลังเมตตาจิตให้เกิดขึ้นในดวงความคิดของเราเนี่ยจะต้องสร้างให้ให้เป็นบุคลิกทางจิตของเราหรือเป็นบุคลิกทางกายทางวาจาของเรานั่นประการหนึ่งเหมือนกับพระหรือเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีลักษณะทางเมตตา ที่ปรากฏให้เราเห็นในที่ทั่วไปในบางคนบางท่านบางองค์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าในขณะที่เราจะใช้พลังเมตตาเพื่อแก้ปัญหาชีวิตเพื่ออนุเคราะห์คนเพื่อปกป้องคุ้มครองคนที่เรารักเราห่วงใยหรือปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินหรือเพื่อที่จะกระจัดอุปสรรคก้อนไก่กล้องในการงานในอาชีพใดๆก็ตามที่เราจะได้พูดกันในลําดับข้างหน้าข้างหน้าทับไปเนี่ยก็จะต้อง สร้างพลังเมตตาให้เกิดขึ้นในการก่อนหน้านั้นก็คือว่าต้องสงบคิดให้เป็นเมตตาก่อนแล้วก็ใช้พลังตามหลังแต่ก็อาจจะยกเว้นสำหรับท่านที่มีเมตตาเป็นปกติอยู่แล้วคนที่มีเมตตาเป็นปกติอยู่แล้วก็คือความคิดไม่มีเมตตาได้เสมอก็สามารถที่จะแผ่เมตตาหรือแม้ว่าบางทีไม่ได้คิดจะใช้พลังพลังมันก็จะเกิดโดยอัตโนมัติเหมือนอย่าง ลักษณะของผู้ที่สำเร็จฌานด้วยเมตตาเจโตวิมุตตคิดถึงอะไรคิดถึงใครจะมีพลังมีพลังกับบุคคลนั้นโดยอัตโนมัติทันทีหรือพระที่ท่านเก่งทั้งเมตตาเช่นว่าหลวงพ่อเมตตาหลวงหรื อ, อ, อท่านเจ้าคุณนรรัฐเนี่ยนะฮะ ท่านเหล่านี้เนี่ยเวลาท่านหยิบอะไรขึ้นมาเนี่ยจะให้ใครเมตตาจะเกิดโดยโดยอัตนมัติและของที่ท่านให้ใครหรือพรที่ท่านให้ใครหรือแม้แต่ว่าท่านพูดถึงใครหรือท่านนึกถึงใครเนี่ยมันจะมีผลมีผลทําให้เขานึกถึงออคือกรณีอย่างพวกเราก็เหมือนกันเราอาจจะนึกถึงใครทัาคนหนึ่งในขณะที่เราเราทาสมาธิแป่เมตตาอยู่เพียงแต่นึกถึงไม่ได้นึกว่าอย่างไร ก็อาจจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยคิดถึงเราหรือเราคิดถึงเขาถ้าเขาคิดถึงเราหรือทําให้เขาโทรศัพท์มาหาเราก็ได้ อ, อสิ่งเหล่านี้นะคนแผ่เมตตาจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาและบางท่านเนี่ย อ, อที่ท่านมีเมตตามากแต่ว่าเป็นคนชอบความสังดัดเวลาแผ่เมตตาแล้วต้องต้องใช้พลังสำทับว่า อย่ามายุ่งกับโยม อ, อย่ามายุ่งอาาาับมะคือไม่อย่าโทรมาอย่ามาหาเพราะว่าทำให้อาตามาวุ่นวายไงไม่สงบบางทีก็ต้องสำทับในลักษณะอย่างนั้นเหมือนกับกับสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์เนี่ยไม่อยู่ในฝ่าสัตว์มันก็จะมานะนไอ้สัตว์หมาเวลาไม่หุ่นเวลาที่เราเราจะแสดงเมตตาจะเมตตาด้วยการให้อาหารด้วยเมตตาจิตอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเราต้องต้อง แพ่จิตในลักษณะใ ห, ให้ได้แต่รักกันแต่อย่าเข้ามาลบกวนกัน อ, อย่างนี้เจอประสบการณ์ในในหมู่ผู้ปฏิบัติเนี่ยหลายคน อ, อย่างที่ไปอินเดียก็เมื่อต้นปีนะฮะที่ไปปฏิบัติสามสิบเจ็ดวันก็มีคนที่ทมีพลังเมตตาสูงแล้วก็พวกพวกสัตว์เนี่ยมันมาตาก็มานะฮะ แล้วก็พวกยุงอย่างอะไรมันก็รู้สึกมาตอบมาร้องเต็มถ้าเอาว่างั้นนะทีนี้มันก็ไอ้มันมาร้องก็ก่อกวนดะีก็มาส่งเสียงเจียวจาว่ามาส่งเสียงเจียวจาวาก็เลยเมื่อเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นก็ต้องใช้กําลังจิตเนี่ยสาทับแต่เมตตาบอกเขาว่าไม่ใช่จงเกลียดจงชังอะไรหรอกแต่ว่ากาเอย๋ยเจ้าจงรู้ว่าขณะนี้ในใะจกําลังต้องการความสงบนั้นถ้าจะร้องก็ไปร้องที่อื่น ย่ามาล้อลบกวนคนที่ท่นานักเลยก็มัเป็นผ ล, ลนสำเร็จคือกามันก็ไปทันทีเลยไปทันทียุงเยิงเนี่ ย, ยบินหนีไปเลยไอ้ยุงนี้ผมทําไม่ได้แต่ว่าทัานพุนทธิธรรได้ยุงผมแพ้แล้วมันไม่ใ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ ร, าร tai, ้ายอะไรอะไรี่ยังพอได้งูเกลียวเยวขอสัตว์ดุนะสัญญาอ ย, ยาพอทําได้ยังไม่ไม่แกร่งเหมือนอย่างท่านพุทธัน ออเ น, นี้ครับในการฝึกแผลเมตตาเนี่ยเราต้องสร้างพลังเมตตาให้เกิดขึ้นก่อนคราวที่แล้วท่านคงจะรู้จักเมตตาไปแล้วในเมื่อสร้างเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยเราเราต้องการจะแผลเมตตาแล้วก็ตอนนี้เราแผลเพื่อเรียกเมตตาทีเมตตาเมื่อจะเกิดเนี่ยครับคนที่ฝึกแผลเมตตาและจะรู้ว่าเมตตาจะเกิดอย่าลืมว่าเมตตาเนี่ยคือความรู้สึกที่หวังดีต่อบุคคลอื่นอย่างจับจิตจับใจปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น เขาจะขี้ลิงพี่เลวพ่คนพิการน่าเกลียดหน้าชังแต่งเนื้อตก็แต่งเนื้อแต่งตัวกตกปลูสกส่งปอนอยังไงก็ตามจนก็ตามร่ำรวยก็ตามเราจะรู้สึกเมตตานักการเมืองใครโดยว่าเขาเลวก็ตามไงเนี่ยเราก็มองเขแล้วก็เป็นเขาไม่ใช่เป็นคนเลวไปแลหมดบางอย่างที่เ้าดีก็ดีกับเราแล้วก็นึกถึงความดีนึกถึงแม้แต่ความเลวที่เขาทําันีมก็มีผลดีแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะได้บุญกับสิ่งที่เขาทานะเราก็มองเห็นแล้วก็ก็ไม่ได้นึกรังเกียจเดียดฉันอะไรเขา เราก็เกิดเมตตาแต่ไม่ได้แปลว่าเรายอมรับในความไม่ดีอันนั้นทีนี้ไอ้ไอความรู้สึกอย่างนี้แหละครับมันเป็นเมตตาสําหรับคนฝึกเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเมตตาจะปรากฏเมื่อจิต ด, ดิ่งลงสู่สมาธิและตัวเองมีความรู้สึกเป็นสุขในสมาธิซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาว่าคนเราเนี่ย เมื่อเราเกิดความรู้สึกว่าเราได้อะไรที่ทำให้เราเกิดความเป็นสุขร่าเริงในใจเนี่ยความถือสาคนจะลดน้อยลงถ้าใครเคยถูกลังวัลที่หนึ่งถึงแม้ว่าท่านจะเกลียดชังใครอยู่แค้นใครอยู่ขนาดนั้นท่านจะลืมจะลืมเลยถึงจะมีคนมาด่ามาว่าท่านทำอะไรไม่ถูกใจท่าน ก็ยืมเงินไปสองพันแล้วไม่ใช้ท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าท่านถูกชุบเงินสิบสองล้านอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรทีนี้ให้ความรู้สึกในในสมาธิเนี่ยมันจะมีคุณค่าในทางสาระของความสุขยิ่งกว่านั้นไอ้สุขที่ถูกหวยเนี่ยบางทีมันยังมีข้อจํากัดอย่างง้นอย่างนี้แต่ตัวนี้จะมีข้อจํากัดน้อยมากพอเรามีความสุขเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเรามีสาระของความสุขอยู่ในในใจแล้ว แล้วไอ้ความสุขในธรรมความสุขในกุศลและจิตเนี่ยมนันแปลกอย่างหนึ่งว่าไม่ก่อให้เกิดความเห็นแก่ตัวกลับอยากจะให้คนอื่นเขาเป็นสุขคือคนได้ธรรมะนี่ก็เหมือนกันว่าตัวเองได้ธรรมะชักก้นเลื่อนหนึ่งได้ตัวเองได้ความสุขอยากคนอื่นได้ไอ้สุขอย่างนี้ใครได้แล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เสียหายเหมือนอย่างทรัพย์สินเงินทองทน ะ, ะทีนี้ถ้าถือว่าเราจะนึกว่าเอา เขาอยากมีเงินเราปรารถนาจะให้เขามีเงินอยากให้เขามีเงินมีทองมีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขแม้เข้าไม่ได้ธรรมะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กว่าเราทําไมจะให้ความปรารถนานั้นต่อเขาไม่ได้มันเล็กๆนะว่าเล็กกว่าธรรมะน้อยกว่าธรรมะทีนี้ผมย่อไม่เป็นว่าถ้าเป็นอเป็นเรื่องความสุขในทรัพย์สินเนี่ยบางทีมันมีข้อจํากัดอก็จะยกนอย่างให้ฟังอ่าอาจจะกินเวลานิดหนึ่ง ก็มีไอ้คนขับรถเมย์สาย49คนหนึ่งชื่อนามกุลผมจำได้แม่นเอาเปนว่าแค่ชื่อชี่วันนายประสิทิ์มันหมดเนื้อหมดตัวลูกเมียไม่เอาแล้วแสดงว่ามันคงเป็นคนไม่เป็นจะดีนะลูกเมียไม่เอาบ้านอยู่นครปฐมก็มาเป็นพนักงานขับรถสาย49มันก็มาพักอยู่แถวไอ้ตรงตรงแถวบางซ่อนนะ อู๋ทำก่อนนะไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยมาตัวเปล่าเสื้อผ้าก็ยับนี่แล้วมันต้องอาศัยอู๋นอนนี่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยสงสาเพื่อนหมายว่าคนที่ขับรถรุ่นพีก็สงสารเอาข้าวของเอาเงินเอาตองแล้วก็ไปค้าประกันให้มันเป็นเชื่อของตีรก่อนทีนี้นายประสิทธิ์นี่มันก็อยู่ก็มันก็บอกว่าเออถ้าวันหนึ่งมันถูกหวยมันจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไม่ได้ทั้งสามแสนแต่กระปุกมันวางกันน่ะ ไอเพื่อวันนี้ก็าบอกอ้าวถ้าฉันถูกถ้าได้ก็สามแสนเหมือนกันก็ครบกันไปพวกมาเนี่ยครับปรากฏว่าในประสิทธิ์ผูกหวยทั้งใต้ดินทั้งรัฐบาลมันซื้อใต้ดินผูกหลายแสนบาทพอรู้ว่าถูกในเชื่อมันมือมันหมดแรงเลยตรวจรอตเตอรี่ไม่ได้เลยก็เอาไอ้ลอตเตอรี่ซึ่งมันซื้อชุด่ผมก็คงรู้เลยเนี่ยมันสิบสองล้าน ถูกทั้งชุดสิบสองล้านสนหลบคาที่เลยร้บสนหลบอยู่กับไอ้เพื่อนผู้ซื่อสัตว์เจ้าใครจะว่างโง่ก็ลองคิดดูก็แล้วกันมันก็อุตสาห์ผสมพยาบาลจนกระทั่งพว้ยคือมารู้ว่าตัวเองถูกแน่ๆสิบสองล้านกับบวกอีกหลายแสนบาทพอถูกเนี่ยโอ้ยยาพี่น้อมรู้มาจากไหนเต็มอู้จะครับไอ้ทั้งซื้อจุลสารขอ ง, ของขกรมรมกอมาลงกันสนุกเลยตอนนะั้น ทีนี้มันก็ไปเบิกเงินเปิดธนาคารธนาคารไอ้ธนาคารเนะี่ยโหว่ามาเปียบเลยอย่ามาให้เปิดเป็นลูกค้าของธนาคารนะพอเปิดเสร็จแล้วมันก็กลับบ้านไอ้ที่สัญญาไว้กว่านสามแสนสามแสนน้ำเหลเพื่อนก็อุตส่าห์ตามไปตวงสัญญาจะขอเงินสามแสนเชื่อนะครับมันเอาปืนมาไล่ยิงปืนมายืนจังก้าหน้าบ้านใจจริงไอ้ไอ้ไเพื่อนที่เคยมีอุปการะ แต่ว่ามันก็ ย, ยังใจดีมันให้มาห้าพันแต่ไม่ใช่ดีที่ให้โกให้ยืมนะให้ยืมแล้วมันก็มาที่อู่อีกครั้งเดียวเพื่อมาทวงเงินห้า0ันแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มาเลยเอหมอย่างเนี้ย <c oughs> ก็เขาก็บอกว่าแหมไอ้เพื่อนคนนั้นมันโง่ความจริงตอนสลุเนี่ยจับมัดะจะไปเบิดกันให้หมดแล้วค่อยปล่อยมันมันจะไปเอาคืนได้ยังไงมันโง่ก็ดีจนโง่หมดอ่า ก็เลยไม่รู้ว่าจะหมดเรื่องหมดตัวอย่างเมื่อไหร่อ่าเอ๊ะอันนี้ก็เป็นไปนเรื่องเล่อยจริงๆที่เกิดขึ้นนะฮะอ่าก็มันเป็นบุญเก่าเขาแต่ผมกําลังจะบอกว่าที่ยกเป็อย่างให้ฟังเนี่ยว่าไอ้ ก, ก็เรื่องความปรารถนาดีในทางโล ก, กธรรมหรือที่อิงอามิตรเนี่ยมันมักจะมีข้อจํากัดเรารักใครก็ตามเราอาจจะรักได้แต่เขาไม่มาขัดขวางผลประโยชน์เราหรือไม่มาทําให้ผลประโยชน์เราเสียหาย ถ้ามาทำให้ผลประโยชน์เราเสียหายเนี่ยเราอาจจะรักเขาไม่ลงไอ้ความอิจฉาทิสยาอะไรต่างๆมันเกิดซึ่งจะพิษกับความรักที่เกิดขึ้นจากความสำเร็จในทับหรือความสุขในทับนะฮะไ อ, ะอะ้ความสำเร็จในทางทรัพ์สิเนี่ยอาจจะใช้เป็นพื้นฐานเพื่อ น, นำไปสู่เมตตาที่เกี่ยวข้องกระทำได้ดังนั้นคนที่จะสร้างเมตตาเนี่ยเราเองจะต้อง ต้องทำความเข้าใจและยอมรับตรงนี้ก่อนครับเราถึงจะมีกําลังใจว่าการฝึกสร้างพลังเมตานั้นประการที่หนึ่งต้องเชื่อว่าเรากําลังสร้างบุญชั้นสูงชนิดหนึ่งบุญเนี่ยเรารู้ว่าบุญกิริยามวัตถุมีสิการให้ทางสับรูรนั่นก็เป็นบุญหลายอย่างนะครับสิ่งอย่างการยกมือไหว้กันก็เป็นบุญ การชื่นชมดีในความดีของคนอื่นก็เป็นบุญและการบำเพ็ญภาวนาคือหลอกตาภาวนาเนี่เป็นบุญชั้นสูงมองด้วยตาธรรมดาแล้วเหมือนคนเห็นแก่ตัวคนไม่รับผิดชอบคนเกลียด้ารแต่แท้ที่จริงแล้วกลับตะปัดกับความคิดของของใครทั้งหลายเพราะว่าคนนั่งสมาธิต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองสูงนะฮะ แล้วก็คนเหล่านี้จะมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อคนอื่นสูงด้วยต่อสัองคมสูงด้วยแล้วต้องใช้ความขยันอย่างสูงด้วยคนนั่งภาวนาเนี่ยขี้เกียจเนี่ยไอ้ขยันเรื่องอื่นเรามานั่งหลับตาแล้วก็สอบตกกันมาเยอะแล้วกลายเป็นคนขี้เกียจนี่ยกตัวอย่างให้ฟังและในทางบุญเนี่ยเป็นบุญขั้นภาวนาเพราะตัวในในฐานะความเป็นบุญก็บุญสูงและบุญแต่ละอย่างนี่นะครับมันจะมีพลังโดยปริยายในตัวของมันเองต่างกัน เราได้เคยพูดในเรื่องอื่นมาบางแล้วว่าการให้ทานก็มีพลังในขอบเขตของทานทาให้มีทรัพย์สินมากให้ทานด้วยเรื่องอะไรตัวคนคนนั้นก็จะมีพลังด้วยเรื่องเรื่องสิ่งที่ตัวเองให้คือว่าเราให้ชีวิตสัตว์ให้อภัยนะให้ยาให้เสื้อผ้าให้สะพานให้ที่อยู่ที่อาศัยให้ป่ามันก็จะมีพลังแตกต่างกันออกไป ที่นี้การทําภาวนามันก็จะมีพลังรวมเพราะภาวนานีนมีหลายอารมณ์หลายอย่างการแผ่เมตตานั้นเป็นภาวนาชนิดหนึ่งและมีพลังอยู่ในตัวเองโดยเฉพาะพลังทางเมตตาที่มีพลังโดยเฉพาะคือพลังในทางสังคมในทางสังคมสังคมนี่ก็หมายคถาว่าเป็นความสัมพันธ์กันระหว่าง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นแม้แต่มนุษย์กับเดรัจฉานเดรัจฉานกับเดรัจฉานหรือมนุษย์กับอมนุษย์คือผู้ที่เรามองไม่เห็นคนจนกับคนรวยคนต่างศาสน า, ากับคนต่างศาสนามันจะมีพลังที่มันเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นสากลตนะ เป็นสากลแล้วก็บางดีเราก็ถือว่าเป็นแก่นของมนุษย์ธรรมชาติคือตัวนี้นั่นนี่คือพลังพิเศษที่นี้ไอ้พลังในลักษณะเนี่ยเป็นพลังพลังงานกลหรือพลังงานอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นพลังลู่ของการทำภาวนาคนที่ฝึกมาที่เนี่ยจะมีพลังพลังที่เป็นพลังลู่อะครับมันก็ทำให้เกิดอะไรอะไรขึ้นเพราะนั้นเวลาที่เราสร้างเมตตาเนี่ยเราก็เอาเอาพลังไปใช้ พลังปัจจนี้ก็ทําให้เกิดไอ้พลังในลักษณะเหมือนพลังทางสลังนะครับเราอาจจะพูดเหมือนพลังทางสลังแต่นี้ไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์เป็นวิธีทางใช้กุปสนเป็นเครื่องช่วยก็มีคนเคยเคยทักท้วงคราวที่แล้วก็มีคนหนึ่งตอนขากลับท่านก็ไม่ได้เข้ามาฟังตั้งตน้นท่านทักท้วงจากคําของของท่านผู้อื่น เมื่อวันจันทรที่แล้วนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปพูดที่ที่หนึ่งก็มีคนหนึ่งครับท่านก็มาคือผมไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่ท่านบอกว่าท่านได้เคยฟังเทพคาบรรยายบางรายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านก็จังหวนใจเพราะว่าท่านจะต้องไปสอนไปเิดแรพร่ว่านี่เป็นการสร้างความลูกมลุ่มเร้าตรงนี้ท่านก็บอกว่า คือในในวงการเราที่เกี่ยวกับเรื่องสมาธิบางพระบางองค์หรือบางท่านก็บอกว่าโอ้ยเราเนี่ยทําสมาธิทําวิปัสสนาจะมุ่งจะไปนิพพานเน่ยอาตมาไม่สอนเราไปกันไม่ได้เราก็พูดกับไปอย่างนั้นแหละตัวเองในครอบครัวจะแตกอยู่แล้วอการทําการค่าอะไรตอะไรปัญหาเต็มตัวเนี่ยจะพูดถึงนิพพานเนี่ยมันมันเรื่องไฟสูงเกิดสั่งกลายเป็นอย่างนั้นอ่ะ ตอนนี้บางท่านก็บอกโอ้นี่เอาทามาฝึกธรรมะเรื่อเอามาใช้ใั้มันโลภนี่เห็นแค่ตัวนี่กลายเปไงที่นี้ตรงนี้เนี่ยอยจริงๆเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าสำหรับคนทั่วๆ่วไปมันต้องเริ่มต้นจากการที่จะต้องดูตัวเองว่าเราเนี่มีความต้องการแท้แท้ในระดับภูมิปัญญาระดับสภาพชีวิตเราในยอย่างไรอย่างเช่นเวลาเราเป็นโลกในเรื่องใหญ่ไหมใหญ่ เวลาที่เรามันมีปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินการทองนี่เรื่องใหญ่ไหมมีปัญหาทางความขัดแย้งในครอบครัวเรื่องใหญ่ไหมแล้วคนที่เรามีปัญหาอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะไปสู่มัดผลนิพพานได้แล้วครับลองคิดดูสิกลับเข้าบ้านทะเลาะกับคนในบ้านทุกทีได้จะไปนิพพานได้ยังไงใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องง่ายง่ายหรือแม้แต่คนเป็นโรคภัยแค้เจ็บสุขภาพเอาไว้ว่าสุขภาพกายสุขภาพจิต ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะทําเกตุไปนิพพานได้ด้วยปันเรื่องอย่างนี้เราหลอกตัวเองไม่ได้ถ้าคนไหนมีความจําเป็นขั้นพื้นฐานอย่างนี้เรามีวิธีแก้ทางโลกๆด้วยทางวิธีทางกายภาพนระาเยอะแยะแล้วบางเรื่องก็แก้ไม่ได้บางเรื่องก็อาจจะแก้ได้บางคนก็แก้ได้บางคนก็แก้ไม่ได้ไงนนะทีนี้ถ้าเราใช้วิธีทางบุญมาแก้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ปัญหาก็ตกบุญก็ได้ถูกไม่ถูกบุญก็ได้ปัญหาก็ตกถ้าเราใช้วิธีทางบาปสมมติว่าเราเป็นโลกใดโลกหนึ่งแล้วก็คนเขาบอกว่า อ, อ, อย่างเนี้ยต้องไปเอาต้องไปกินดีงูดีแลกเราจะทำไหมละ่ะ เ, เราก็มีิทธิที่จะทำถ้าถ้ า, ถาบางคนคิดจะทำมีกำลังที่จะทำได้ แต่ว่ามันไม่ถูกรรมทำนะทําแล้วก็ลื่นเดืดอดร้อนมันไม่ถูกต้องถูกรทำหรือว่าเรามีปัญหาเรื่องการเงินเราโกงเราเบี้ยวครับเพื่อให้ตัวรอดมันก็ไม่ถูกรรมแต่ถ้าใช้วิธีทางบุญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับไม่ว่าเราหรือไม่ว่าใครดงั้นเราก็ใช้บุญมาช่วยทีนี้ถ้าคนที่เขาต้องการจะไปมรรคผลนิพพานแล้วก็มีคุณสมบัตพร้อมอยู่แล้วก็ตไปในระดับนั้นแต่ว่าเอาค่อยจริงเนี่ย ในหลักของพระพุทธเจ้าและในความเป็นจริงของแม้แต่ผู้ที่จะไปสู่นิพพานมันก็จะมีหนึ่งไอความมุ่งหมายจิตใจของตัวความโน้มเอียงอินทรีย์ของตัวนี้จะไปสู่มรรบผนิพพานสุกโขโมยใจอยากจะไปสุกโขโมายาจด้วยความจริงใจนี่เป็นเป็นวัตถุประสงค์แต่ว่าท่านเหล่านั้นท่านก็มีปัญหาขั้นพื้นฐานที่เป็นสิ่งคอยกีดขวางผมยกตัวอย่างเช่นว่าพระ จำนวนมากจะไปสู่มากผลวิปานและไปปฏิบัติธรรมในป่าโดนงูกัดตายเนี่ยจะให้ทำไงงูไม่ให้ไปอะ่ะก็พระพุทธเจ้าก็ต้องสอนให้แฝเมตตาให้งูนะฮะในในพรไตริฎกมีเอาไว้อ่อช่วงหลังๆในผมจะรวบรวมภาคทิสฎดีแบบจากหลักฐาน ม, มาให้ฟังเป็นเป็นจุดต่างหากไปนะหรือว่าบางท่านอาจเข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่า อะนี่ก็ในแระไตรปิฎกอีกกว่าพวกอม น, นุษย์เข้ามาเบียดเบียนก็ไม่เป็นอันทำกรรมฐ า, านอย่างนี้ก็ต้องแก้ปัญหาหรือบางพวกในไปปฏิบัติแล้วปรากฏว่าอที่โคจรบินสบายอาหารฝืกเขือนก็มีและปัญหาอื่นอีกหลายอย่างบางทีก็โดนโจนโดนใครตะใคที่เขาไม่เห็นด้วยเขามากัดกรางเบียดเบียนพระพุทธเจ้าก็สอในให้ใช้เมตตาแล้วก็ยืนยันว่าเมตตาเนี่ย เป็นตัวปกป้องคุ้มครองทำให้เราสามารถที่จะบรรลุความสำเร็จในจุดหมายขั้นสูงสุดได้นั้นใครที่จะไปเรียนต่างประเทศโดยเฉพ า, านะคนเกาหาวนะส่งลูกส่งหลานไปเรียนเนี่ยต้องสอนให้เขาแผ่เมตตาให้เป็นเวลาจะไปสอบข้าวเวลาอยู่ในในบ้านพักในที่พักเวลาเดินทางถ้าใช้เมตตาเป็นแล้วก็คุ้มตัวได้ ดีกว่าไทยคุ้มด้วยซ้ำไปแต่ไม่ได้แปลว่าเราปฏิเสธการคุ้มครองในด้านอื่นเพราะว่าไอเราเนี่ยถ้าพลังทำเราน้อยเราก็ต้องอ่าใช้ด้านอื่นเข้ามาเป็นตัวช่วยพลังทำเราเยอะก็อาจจะอซึ่งพาด้านอื่นน้อยลงนะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยได้อย่างดีเห็นจะว่าที่สุดสำหรับผู้ที่มีพลังอย่างสูงสุดแล้ว เ, นะเป็นอันว่าตรงนี้ขอให้หนึกว่าเราทำบุญแค่เป็นบุญเฉยๆก็มีผลอ่อชีวิตเราความสุขอารมณ์ความระบายใจหน้าตาบุคลิกลราก็จะออกโดยปริยายอยู่ไม่รู้ตัวแหละและอีกอันหนึ่งก็คือพลังโดยปริยายของเมตตาเมตตาที่บุคคลแี่ยจะมีพลังโดยปริยายหมายถึงเป็นพลังแบบกำปั้นทุกดินะ แผ่เมตตาก็ต้องได้พลังอซึ่งในในวันนี้เราเราเราเราจะแผ่แล้วก็จะจะอะพูดถึงอันนี้แค่แค่ตรงนี้นะครับจะปลดเพื่อให้ได้พลังโดยปริยายแต่ว่าในครั้งหน้าเนี่ยจะพูดถึงการเอาพลังของเมตตาเนี่ยไปใช้เจาะเฉพาะคือเวลาคนทําบุญเนี่ยผมถึงเคยบอกว่า เ, เวลาเราอธิษฐานเนี่ยนะทําบุญอธิษฐานทําบุญไม่อธิษฐาน มันคล้ายๆกันเลยฮะถ้าคนทําบุญไม่เทีาไหร่คือทำแบบเรอทําไปแล้วก็จะได้พลังโดยปริยายของมันนะฮะเราก็ไม่มีจุดมุ่งหมายแล้วทําไปทําไปมันก็มีบุญก็ให้ผลตามจตตาของมันตามอาวิธีทางของบุญแต่ถ้าหากว่าเราทําบุญเนี่ยเหมือนเราใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยอผมจะจะบอกให้คทุกคนในครอบครั ว, รวปฏิบัติวันนี้นยะเราทําเราต้องรู้ว่าเราจะทําให้ใคร ทำอุทิศให้ใครทำเพื่ออะไรเป็นเป็นเจ้าของบุญนั้นบางวันเราก็ทำให้กับพระอาทิเพราะว่าตรงกับวันเฉลิมอ่างเงี้ยนะบางวันเราก็ทำให้กับคนบางคนที่เขาเพิ่งเสียชีวิตไปที่เรารู้จักเก่าบางวันเราก็ทำให้กับบรรพบุรุษอย่างวันศาสวันอะไรเงี้ยนะ เราก็ทําให้บันเระว่ถ้าเป็นบันเกิดเนี่ยจะทำให้ทําให้บันพระบุรุษบันเกิดเราเองนะต้องทําให้บันพระบุรุษและผู้มีบุญคุณต่อความมีความเป็นของชีวิตเราเนี่ยเราก็จะมีก็เรียกว่าทําบุญแล้วมันมีความประชุมกระชวยมีวัตถุประสงค์หลากหลายไม่ไม่ซ้ำใส่ทุกวันก็มีบุคคล บางทีอาจจะว่าเรียนบางอะไรบางนี่นะมันก็จะเกิดทีนี้เวลาเราทําเจาะเนี่ยก็จะเกิดพลังขึ้นมาโดยเฉพาพลังในด้านต่างๆบางอย่างก็อาจจะเป็นว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณเนี่ยอย่างเราเรื่องเราได้ตอบแทนบุญคุณบั่นเป่ากรุดเป็นสตรีมงคลของเราบางทีกอ็อทําแล้วก็มีพลังต่อว่า อ, ออย่างสมมุติว่าผมที่เราก่อนไปอินเดียเนี่ยผมไปอินเดียสองเดือนกว่าบ้านผมไม่ไม่มีคนดูเที่ยวหลังก็ไม่ได้กลับเดือนกว่า แล้วผมก็ก็แฝ่จิตแฝงอะไรมาทําโดยเจ้าเจ้ากรรมในวิอ่าเจ้าที่อ่นต่างผมนะแล้วก็ให้ทุกคนแล้วก็ทําเป็นประจำก็ยังไม่ทําให้ต้องเลิกทําจนบันนี้เพราะว่ายังปลอดภัยกลับมาแล้วทุกอย่างในส น, นิทนิ่งบ้านเราก็ปลหน่อยนั่นแหละแต่ของไม่หายเลยจนแน่ใจว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันมันคุ้มครองได้มันเป็นผลได้แล้วผมก็นึกว่าถ้าผมจะขายที่หายทาง เนี่ยนะคงก็จะใช้วิธีการเข้ากรรมฐ า, านทำบุญทำสังฆทานอะไรนี่หมดปลามาแล้วเลี้ยงแล้วก็ให้บุญกแกเจ้าที่จะทางไรเรแวกนั้นทั้งหมดแล้วก็แผ่เมตตาไปให้กับลูกค้าที่จะมาซื้อผม <c oughs> ใครที่เป็นลูกค้าทจะมาซื้อผม <c oughs> จ, ะจะด้วยอะไรก็ตามนะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ขายไดย้ด้ว ย, วยน้ําใจกันนะฮะมาซื้อด้วยน้ําใจก็รเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขามีเมตตาเรียกว่าแผ่เมตตาหาญาติแผ่เมตตาหาผู้มีอภาระ แล้วมันต้องเจอค่ะทุกเรื่องจะต้องเจอแม้แต่ว่าการทาาํางานทางศาสนาอะไรเงี้ยนะและ้วก็จะแฝงว่าเออใครที่ย่ามาแล้วมันก็เจอมันก็พูดแล้วก็เหมือนโกหกของคนก็อนนอย่างทั้งเมื่อผมอผมเจอเจ้าของกรนีพันใอ้นี่ก็เหมือนกันเองเนี่ยพูดแล้วเดี๋ยวผมไม่เคยเล่าเขาฟังแต่เขาพูดเลยว่าเขาเจอหน้าผมเนี่ยเหมือนคนเคยเห็นหน้ากันมาเวลาเข้าไปเขาจะต้องพกไอ้ออน้ําส่งคันเป็นกระติก เขาบอกมาเขารู้สึกเขาทนไม่ได้เขาต้องลิม น, น้ำส้มจากกระติกเนี่ยมาให้ผมดื่มบนเวทีที่องค์การพุทธศาสนิมันแห่งโลกนะแล้ก็เหมือนเจอญาติ่ะเราก็รู้สึกว่าเราละค่ายก็เหมือนเจอญาติลักษณะคล้ายๆกันนะด้วยเป็นเป็นพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ไงล้วก็ไม่ทราบแล้วก็ก็ทํางานก็มีความสุขจนทุกวันนี้เจ้าอะไรก็ก็ให้หมดพยายามที่ยกทุกอย่า ง, างแล้วก็ไม่อยากจะจะไป ไปรับอะไรมาเป็นเงื่อนไขามากนะแต่อันนี้ก็เ ป, เป็นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกเหมือนเป็นญาติกันจริงๆแล้วก็อีกหลายคนที่ที่บางคนก็อาจจะไม่เคยดีนักแต่ว่าบางทีสายสัมพันธ์กันมันระหว่างเราเนี่ยมันดีมันก็เหมือนเป็นญาติที่บางทีพฤติกรรมอาจจะด้อยหน่อยบางคนกับพฤติกรรมสูงก็แล้วหน่อยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ออันนี้จะจะสอนแล้วลองทําดูนะครับ หาแฟนหาอะไรก็ลองทำไดแ้แต่อย่าหาให้เกินไปนะอย่าหามากไปเพาญาติเยอะแล้วเกินนะกลายเป็นเป็นอะไรญาติเยอะไปญาติเยอะยังก็ยังชั่วแฟนเยอะลำบากลำบากที่หลังคนที่มีเมตตาเนี่ยสังคมจะดีนี่ว่าอย่างรวมๆลักษณะทางสังคมจะดี นี่เป็นพลังของของตัวเขาเองนะครับอย่างอื่นๆก็เรื่องพลังเ อ, อความแคล้วคลาดจากยาพิษอะไรแต่ไรเนี่ยก็แม้ภาวนายอย่างอื่นก็ช่วยได้อันนี้จะพูดถึงว่าการที่เราแผ่เมตตาเนี่ยนี่ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเรากําลังพูดถึงวิธีการที่จะสร้างเมตตากาจะสร้างยังไงบ้าง ผมก็จะประมวลในตำราตําราอะไรเนี่ยมาวายฟังแบบในทาในเชิงปฏิบัติได้ง่ายๆก็คือว่าคือการแผ่เมตตาในหลักอย่างที่หนึ่งนะอย่างที่หนึ่งให้แผ่โดยลําดับทิศแผ่โดยลําดับทิศทิศเนี่ยก็มีทิศทั้งสิบเอาสิบทิศนะแล้วก็ยังมีทิศโดยรอบทิศโดยรอบคือรอบๆตัวเรา แพ่สิบนิตแล้วก็แผ่ไปโดยรอบอ่าก็เป็นเป็นเก้านับเป็นเก้าก็ได้ไอโดยรอบเนะี่ยจะถือเป็นแในการแผ่รวมกิจแล้วก็แผ่โดยระยะโดยระยะหมายความว่า อ, อ่โดยลำดับใกล้ๆเริ่มต้นจากตัวรับนี่เป็นอย่างที่สองนะัะ เริ่มต้นจากตัวเราเราไปจุดต่ดางแล้วก็ค่อยๆแผ่ออกไปอโดยเราอยู่ที่ไหนในห้องไหนแผ่ให้เต็มห้องิดจบทุกแกอะไรอะไรอยู่ในห้องนะแผ่หมดแล้วก็แผ่ออกไปให้เต็มบ้านแผ่ออกไปให้สุดขอบรัว้วแล้วก็แผ่ออกไปยังบ้านข้างเคียงตลอดซอยหรือตลอดหมู่บ้านอันนี้ก็ให้นึกไปตามข้อเท็จจริงของ ทิ่ฐานที่ท่านอยู่แล้วก็แผ่ไปให้ทั่วทั้งสมุนทีแล้วก็แผ่ไปให้ทั่วทวั้งทวิสก็การแผ่อย่างนี้ต้องมีความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ <c oughs> แล้วก็แผ่ไปทั่วทั้งโลกคือเวลาที่เราจะเอาพลังมาใช้เนี่ย มันต้องแผ่ให้ทั่วทั้งโลกถ้าเกี่ยวกับคนนะ่ะแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับผู้ไม่ใช่มนุษย์ต้องแผ่ไปทั่วทั้งทั้งจั ก, กรวาลโดยไม่จํากัดเลยในวิธีที่จ ะ, ะดึงพลังกลับเนี่ยก็จะมีวิธีอ่าเราเราจะดึงกลับมาไงไเรียกว่าถ้าเราสร้างไม่ไดแล้วก็แผ่แบบนี้ละก่อนแต่ถ้าเราจะใช้พลังอย่างชนิดที่ว่าเราไม่เลือกคนไว้ มุกว่าเราต้องการเงินกู้สักแสนร้านหนึ่งเฮ้เราจะเป็นนึกว่าขอคนนั้นก็นั้นมาดีนะจ ะ, จะเป็นการแหมรบกวนเขาหรือเปล่าเขายัางไงเราไม่รู้ถ้าเราไม่แน่ใจเนะถ้าพอแน่ใจกำลังเจรจ า, าต่อรองกันอยู่ ก, ก็ค่อยๆใช้เมตตากระตุ้นเข้าไปนะแล้วก็แผ่ให้กับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยให้ให้มันไม่ใช่เป็นการเอาเปรียบเขาผมยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่ทําให้คนที่เรา แผ่ไปให้แล้วก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเสียหายเลยรับรองตรงนี้ได้เขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่บางคนเราก็ไม่ยังไม่ได้บอกเขาจนบัดนี้นะว่าเออไอเนี่ยตรงเนี้เราแผ่ให้เพราะว่าเราเรามันเป็นผลจากการแผ่ไม่ตายสมมติว่าเรามีกิดขึ้นมาทุกอย่างให้ทงการเงินรักแสน แล้วก็แผ่เมตตาให้ได้เือนแสนแล้วมันมันได้มาแต่เราก็ไม่กล้าไปบอกเขาอานะกลัวเขากลัวเมตตาก็ได้แต่คุยกับคนแล้วเออมันก็แปลกเรียแต่ว่ามันก็เป็นบุญเป็นกุศลของเขาเหกันแต่ตรงตอนนี้น่ะให้ให้สำเนจแค่ว่าอาการแผ่แผลไปอย่างนี้ก่อนเวลาจะใช้เนี่ยเราก็ตั้งบุภลาเจีนาขึ้นในในภาปฏิบัติตั้งเราจะแผล เพื่ออะไรแล้วก็แผ่จิตออกไปด้วยความรู้สึกแฝงเข้าไปอย่าง น, นแล้วก็จะเป็นตัวกระตุ้นว่าใครอยู่ที่ไหนยังไงอ่าอันนี้นก็เป็นการแผ่โดยลําดับพื้นที่ทีนี้อันนี้เรียกว่าแผ่โดยลําดับภูมิโดยลําดับภูมิในะหมายถึงตามลําดับภูมิของสัตวสามสิบเอ็ดพบสามสิบเอ็ดภูมิอ่าภูมิสามเอ็ด คนที่ฟังธรรมะบ่อยๆก็จาได้ว่ามีอบัยภูมิสีอบัยภูมิสีก็นรกเปรตอศุรกายเดรัจฉานมันลบเทวดาหกชั้นก็คง ถ, ถ้าจำชื่อไม่ได้ก็จะแผ่ถปงลรวมๆกัาไปก็ได้ถ้าหาว่าไล่ลำดับได้ว่าเทวดาหกชั้นชั้นที่หนึ่ง ชันที่สองที่สามที่สีที่ห้าแล้วก็พรมอิกรูปบพรมอีกสิบหกชั้นสิบหกชั้นก็อ่า น, นึกรายละเอียดไม่ได้ก็แฝงแต่ท่านมีหลักว่าการแผ่เมตตาไปโดยประการใดๆถ้าเรามีความชัดเจนนะฮะอันนี้ผมให้ใ ห, ให้ให้หลักไปไปเลยนะครับว่าอการแผ่ที่จะมีพลังเนี่ยต้องมีภาพที่ชัดเจนมีมโนภาพที่ชัดเจน สำหรับเรื่องที่เราควรจะต้องทําให้ชัดเจนนะถ้าแผร่รวมๆก็บางอย่างเราไม่ต้องการไประบุว่าใครเนี่ยเราก็แผร่แบบให้มันชัดเจนในส่วนที่มันควรชัดเจนเราแผร่ไปทั้งโลกเนี่ยแต่เราจะชัดเจนและ้วนะแต่ว่าไม่ชัดเจนว่ต้องคนนั้นต้องคนนี้อ่าสมมติเราแผ่โดยภูมิเนี่ยสมมุ่อเราชัดเจนเช่นเรารู้ว่าเดรรฉานเนี่ยมันมีทั้งมีหลายกําเนิดแล้วก็มีทั้งเดรรฉานกายหยาบมีเดรรฉาน ก, กายละเอียดอย่างนี้ก็เป็นความชัดเจน หรือแผ่ไปถึงมนุษย์มนุษย์นี่ก็มีหลายกําเนิดหมายถึงมนุษย์ในโลกนี้ก็มีมนุษย์ในโลกอื่นก็มีในทวีปอื่นมนุษย์ในมิติอื่นก็มีในโลกลรับแลกเนี้ยเราก็ก็แผ่ส ก, กิทไป ห, หมดให้ทิงให้หมดเทวดาชั้นที่หนึ่งจารุมมาราชิกา ผมผมจะไม่ม า, จานเจรณายะนี้เียแต่ยกตัวอย่างพาอ้อยนึงได้ท่านต้องไปศึกษาหาความรู้หรืออ่านหนังสือมหาเอาลัยนะฮะค่อยๆแผลค่อยๆรับรู้ไปก็จะชัดเองที่ชัดเจนเองทีหลังอ่ามันอย่างเทวดาท่านที่หนึ่งเนี่ยเราก็แผลไปถึงคนหน้าเทวดาท่านที่เป็นเทวราชาเป็นผู้นําำเทวดาแล้วก็เทวดาระดับบริหารระดับผู้หลักผู้ใหญ่ือแล้วก็เทวดาทุกๆองค์ ในภพในภูมินั้นๆแผ่ไปให้ทั่วแม้ชั้นนึ่นๆก็เหมือนกันอันนี้คือคือการเลื่อนจิตเลื่อนเมตตาจิตส่วนจะแผ่ให้อะไรเท่านั้นก็จะว่าอีกทีว่ารวบๆวมมาได้นี่เรียกว่าการแผ่โดยภูมิที่เวลาเราแผ่โดยภูมิเนี่ย เราอาจจะแพร่ข้างบนลงมาข้างล่างข้างล่างลงห้องบนหรือแบบตรงกลางขึ้นจากเรามนุษย์คือแบ่งบนจากนุลงข้างล่างแผ่ย้อนไปย้อนมาพลิกแปลงไปไ ป, ไปม า, มาได้ยิ่งดีเมตตาเราไดเ้เกิดชัดเจนทุวนทียิ่งขึ้นต่อไปแผ่โดยลําดับญาติโดยลําดับญาติโดยลดํยาดับญาตินําหมายถึงโดยลําดับ ของคนที่เป็นหมู่ญาติโดยถือเอาญาติสาโลหิตเป็นเกณฑ์ใการแผ่โดยลำดับญาติเราจะสร้างเกณฑ์ได้หลายแบบนะครับแต่ว่าในแบบอย่างธรรมดาก็คือแบบที่มักจะใช้กันเวลาพระท่านบอกเราเนี่นะมางีก็แผ่ให้พระพุะทธธรรมปต่องอะไรเงี้นะเราแผ่ได้นะแผ่เมตตาต้องจำเลยว่าแผ่ได้กับคนทุกระดับ คนสาแผลคนชั้นสูงก็ได้คนชั้นสูงแผ่คนชั้นต่ำก็ได้แต่ได้หมดบอกเป็นความปรารถนาดีลูกหลานแผลเราก็ได้เป็กๆอาจจะขอให้พ่อให้แม่มีทุ๊กตาสวยๆเล่นตามระดับความคิดของคนแผลนะคือบางทีไอ้สิ่งที่เราจะให้เนี่ยมันมันรับกันไม่ได้ก็มีแต่ว่ามัตรงนั้นก็ยังไม่เป็นสาระมันเป็นสาระที่ความรู้สึกของความเป็นเมตตาเนี่ยนะ ตัวนี้เป็นสาระแต่ถ้าเมตตานั้นมีปัญญาเข้ามาประกอบเมตตาของคนมีภูมิปัญญาเนี่ยบางทีสิ่งที่เขาอยากให้คนรับไม่อยากครับใช่ไหมครั่สมมุติว่าเขาแผลเมตตาให้เราได้บรรลุธรรมเราก็ไม่ก็ อ, อยากได้แต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราควรแผลเนี่ย เราแพ้ด้วยความรู้สึกว่าเราจะให้สิ่งที่เป็นสาระดังนั้นเราจึงต้องให้สิ่งที่เขาต้องการโดยเดนะร่งด่วนนะเป็นความสําคัญเป็นความต้องการโดยเร่งด่วนของเขาที่ที่เขารู้สึกได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราเห็นใจเขา่ะนรับอย่างคนป่วยเงี่ยไอ้เราไม่ป่วยก็รู้สึกว่าไม่สาคัญอะไรใครเอาอยากแก้โรคเหตุมาให้เราเราก็ไม่รู้จะไปทําไหมว่าเราไม่เป็น แต่คนเป็นเนี่ยเอาเอาเงินล้านมากองายาแก้โรเอยดมาวางเขาต้องเอายาแก้โรเอดแม่เป็นเราก็เถอะถ้าเราเป็นนะเพราะฉะนั้นไอ้ทุกของใครความต้องการของใครเนี่ยคนที่มีเมตตาจะเข้าใจได้จะเข้าใจได้ว่าทามไมเขต้องเป็นอย่างนี้ทามไมเขาถึงต้องการานี้อย่าไปว่าเขาเสียเสียนะคนมีเมตตาจะเข้าใจคนได้ดีเรวก็อยากจะให้เขาได้ อะไรบางอย่างมันน่าก็เราก็รู้เอื้อให้เขาได้ได้แล้วก็เพื่อให้เขาได้พัฒนาความคิดขึ้นมาพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาไม่ใช่ได้แล้วจบแค่นั้นแล้วบางทีแผ่ส่วนอื่นเข้าไปให้เขาได้ส่วนอื่นอย่างเช่นให้ได้ธรรมะเนี่ยนะแผ่มันก็มันดีก็มีผลที่ว่าอาคนที่สมมุติว่าสามีภรรยาเวลาที่ผมเสนอวิธีแก้ปัญหาครอบครัวให้กับคนเนี่ยเขาก็จะบอก บอกสมมติ่าบ้านหนึ่งห่อไปทางแม่ไปทางพี่น้องไปทางแล้วก็บังเอิญมีลูกอยู่คนนี้มาวัดมาสนใจธรรมะสนใจทาบุญสนใจปฏิบัติธรรมเวลาให้เขาแก้ปัญหาครอบครัวเนี่ยให้แก้เรียกว่าแก้แก้ภายในซึ่งหมายถึงบริหารรับหลังบริหารเงียบเงียถ้ามันได้ผลครับอ่า อย่างที่ผมเคยเล่าว่าอย่างอย่างครอบครัวผมหายไปสองเดือนครึ่งเลยอย่างที่ใบ เ, เ, เนี่ยเขาบอกเลยเากลับมามันอไหร่เรากลบกับจากที่ทํางานเขาไม่รู้สึกถึงนเต้นอะไรเป็นพิเศษแล้วเขาบอกเลยว่าไม่มีใครลําเพิงลําพันถึงไม่ใช่เขาเกลียดนะ mm hmm. แต่เขาแปลว่าเขาอยู่เย็นเนี่ยก็เขาเพิ่งบอกเขาอยู่มันเย็นสบายปลอดภัยเพราะอะไรเพราะเราแพ้มาตลอดแพ้ในลักษณะที่ให้การคุ้มครองอารมณ์เขาด้วย อย่าให้เขาทุนลนทุนลายอย่าให้เขาเดือดร้อนใจเขามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะเป็นได้หรือถ้าตรงนี้เนี่ยมุดว่าใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเนี่ยแผ่ไปให้ทุกคนเย็นนะให้อย่างน้อยได้ ห, หยุดก็ไหรืออย่างน้อยได้เราไม่เรามือลงหน่อยพ่อกับแม่ที่ทะเลาอะกอันนี้ให้เรามม่เปลามือลงหน่อยแล้วก็ อ, อแผ่ให้ให้ท่านเนี่ยได้ธรรมะได้ธรนึกเคยธรรมะแต่พิระนตีเตียนหน่อย แต่จะมีอยู่บางคนว่าคนไหนที่ดึงมาได้ก่อนให้ดึงคนนั้นมาก่อนให้มาเป็นมาร่วมพลังจับมือช่วยกันกลับไปแก้ปัญหาครอบครัวก็ปรากฏว่าได้อพี่มามาสนใจธรามะมาปฏิบัติธรรมะม า, มาอฝึกอะไรต่ออรางๆนี่นะแล้วก็กลับไปปรากฏว่าต่อมาก็ได้ ม, ดามารดาแล้วก็ต่อมาก็จะได้ พี่น้องคนอื่นซึ่งจะตามมาอีกคนแต่ยังไม่ได้ตามตอนนี้แต่ตกลงว่าจะมาอย่างเนี้นะครับแล้วผลุดที่เนี่ยมันจะมีคนในครอบครัวที่เป็นหัวโจกบางคนก็พ่อเป็นหัวโจกบางก็แม่เป็นหัวโจกบางคนก็ลูกเป็นหัวโจกแต่และครอบครัวไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญหาทางจริยธรรมในครอบครัวความอยู่เย็นในครอบครัวนี่ถ้ารู้ว่า ผมบอกเลยว่าถ้าสมมว่าออกกันมาหมดเลยทุกคนมาทันหมดแล้วมาเข้าใจวัตถุประสงค์ น, นี้มันคุยกันได้แล้วเนี่ยนะะสําหรับคนที่มาแหละก็ไปลุมเล่นงานลมเล่นงานแม่ลมเล่นงานเพาะเดี๋ยวก็ลงทังหยืน <c oughs> ไป่ใช่ลุลมไม่เสียลุมเพื่อให้เย็นแล้วก็ครอบครัวก็จะอยู่ได้มีความสุขอ่าการดูแลลูกเต่าอะไรก็เหมือนกันให้ใช่คือมันอยู่ที่คนเริ่มต้นคนเริ่มต้นเนี่ยสาคัญมาก ดึงใครมาได้หมนะว่าเราเป็นคนนอกครอบครัวเราดูเออในนี้มีใครมีแววแล้วจะทำอะไรได้ก่อนแค่ว่าเออให้เขาได้สัมมาทิฏฐินิดให้สบายใจก่อนให้ให้ได้มารรู้จักทำบุญทานให้เล็กๆหน่อยก่อนแค่นะ่ะฮะอย่างนี้ก็แปลว่ามันมีเชื่อมีจุดเริ่มต้นที่จะลามต่อไปได้ด้นนี้สำคัญแล้วก็ออไม่ใช่แต่การทำงานเนี่ย มีผมเกือบจะเอ่ยสถานที่ได้นะ่ะ เ, เขาก็บอกว่าตอนนั้นเขามีความทุกข์มากเลยนะ่ะคุณคุณทุภาพรสีเขาโดนกลั่นแกล้งอยู่ที่สถาบันกรมศาสนาที่หนึ่งโดนกลั่นแกล้งแล้วคนนี้ก็ก็มีชาติตระกูลสูงล้วมาเป็นใหญ่เป็นโตไปแล้วนะโอ้การแกล้งเขาหน้ากริดมากเขาก็เป็นทุกข์ ก็มาบนม่นว่าเข้าว่าทําความดีแล้วมันเป็นยางไงเขาบอเอออย่างนี้เราจะไปสู้รถปลอมเบอร์ได้แผ่เมตตาแล้วหลายเดือนต่อมาเขามาบอกว่ากรรมตามทันเก่าแล้วคนนั้นน่ะโดนปลดออกจากทุกตําแหน่งนะก็เขาบอกคนนี้เป็นเป็นมอมหลวงเขาว่างั้นนะเขาบอกที่อบอยเลยปลดจากทุกตําแหน่งแล้วก็อีกลายอีกลายในนี้เขา มันเป็นนิสัยเขาเองเขาไม่ได้เขาไม่ได้มามาได้จากการกขาวัดนะ่ะเป็นนิสัยเขาก็มีเมตตาถูงปรากฏว่าคนที่มาแกล้งเนี่ยตายหมดแต่จริงๆเขาเข้ามาถามว่าทำไมถึงตายคือบอกว่านี่พระพุทธเจ้บอกผู้ปรทุกสลายผู้มาปทุสลายตอบและผู้มาปทุสลายตอบมีสองแบบแบบหนึ่งคือไม่ได้ทําอะไรตอบเป็นยังไม่รู้ไม่คีิดไม่ทีไม่รู้ตัวเงี่ยนะ ว่าใครก็แกล้งก็ไม่รู้กอะไรไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้จะไปเกียใครอันนี้เขาเรียกไม่ปฏิสุสธิลายตอบอย่างธรรมดาอย่างไม่มีคุณธรรมอะไรหรอกแต่อีกประเภทที่ที่จะมีพลังก็คือว่าคนที่ไม่ปฏิสุสธลายตอบคือมีเมตตาความคิดตรงกันข้ามตอบแฝ่เมตตาให้อะรฮะอย่างไกลเนี่ยครับวเออที่แรกถ้าก็กดนิดหน่อยแล้วถ้าก็อันนี้สายเก่าก็เข้ามาคือแฝนอะลยตายกันไปสามสี่คนแล้วมีมีอีกคน ที่มาแย่งตำแหน่งก็เนี่ยนี่ก็โดนสำรองราช ก, การไปเลยก็เป็นเป็นเรื่องที่เลยชื่อน้อยทีนี้อ้ตรงนี้ผมถึงบอกว่าไอ้เวลาจะไปแฝ่คนที่มีเมตตาแรงมันไปแฝ่ต้องแผ่คุ้มกองเขาไปด้วยนะแผ่ที่แผ่กว้างเดี๋ยวก็ซ้อนละคนไม่ได้ ไปแผ่เงี้ยแล้วทำไมเาแผ่เมตตาแล้วทำให้คนอื่นที่ผายไว้ยวอดก็เลยไปแผ่เมตตาก็อย่างนี้คนอื่นก็เดือดร้อนก็เลยต้องแผ่ต้องแผ่ในลนักษณะที่ว่าให้ให้การคุมค้มครองกันด้วยเขาจะได้ไม่เดือดร้อน่ะทีนี้ผมจะลองว่าถึงว่าการแผ่โดยลําดับยากเนี่ยนะฮะแผ่ให้พ่อแม่เนี่ยนี่ต้องมาก่อน และเราก็มาแค่พ่วงเอแผลให้พ่อแม่ทั้งในชาตินี้และชาติก่อนคือพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็ตรัสแเรื่องราวในในพระไตรปิฎกเองมีบางทีพ่อแม่ใช่ก่อนตายไปแล้วในไปเกิดเ ป, เป็นเป็นเปรย์ก็มีอย่างแม่รแมมนะพระตาปีฎบุญห้าชาติีแล้วมาขอตัวบุญนะฮะในพระไตรปิฎกเล่่งทีผมแล้วก็ผมไปวัดหนึ่งเป็นพระท่านนั่งทางไหนได้เป็นพระหมอดอยู่แถวพระประแดงวัน ว, วัดอาตา ไปคุยกับท่านท่านก็บอกว่าเนี่ยมีไอ้เด็กอยู่คนอยู่แถวแถ ว, แถวย่านนะแล้วกม็มีมีแม่แม่มาจากเมือหงหงสาวดีมาตามหาลูกไอจริงไม่จริงเราก็ไม่ได้เห็นนะนะแต่ว่าพระอานารเล่ากับผมเนี่ยมาตามหาลูกมาเห็นเขร้องโห่งร้องไห้เลยความโหยใหญ่เป็นเป็นไม่ใช่เป็นมนุษย์นะแล้วก็มามาเข้าลูกอไอ้ลูกก็พูดภาษามอนปล้อเลยเป็นภาษามอนรุ่นเก่า แล้วก็เล่าอะไรแต่ละให้ฟังเป็นเป็นตูเป็นตานะฮะก็จริงไม่จริงก็ไม่ไม่ได้เห็นมากระตาแต่ว่าพระเล่าให้ฟังเห็นแต่เรื่องทํานองอย่างนี้มันมันก็มีก็เพราะว่าอย่าลืมว่าเราเนี่ยมีเจ้ากรรมนายเวรอะไรแต่ละในที่ต่างๆเนี่ยนะฮะแม้แต่ที่เป็นมนุษย์โดยการเองเคยเกิดเคยเจออะไรกันมาในในสังสารวัรเนี่ยในฐานะต่างๆเราไปในที่ต่งางก็เราก็จะมีอย่างนี้เจ้ากรรมนายเวรคนที่เคยเป็นพ่อแม่พี่น้องมันมีเยื่อใยหรือมีพลังอะไรบางอย่างถ้าเราใช้เป็นเนี่ยมันเกื้อกูลกันได้ จะเกื้อกูลกันได้เลยว่าอันนี้คนอะไรแต่ อ, อะไรกันเนี่ยนะมันมีไอ้ไอ้ทางบลบ ก, ก็ทําให้มันก็ยังชั่วไปหรือทําให้กลายเป็นดีไอ้ดีเป็นทางดีก็เกื้อกูลกันพอบางคนเนี่ยเขาไม่มีบุญคุณกันนี่ก็ต้องใช้นี่กันนะเราเราก็ไม่ถึงก็ไปจนะูงแต่ขอความกระลุนนะใครที่เคยเกื้อกูลกันไว้ก็ช่วยสนับสนุนกันหน่อยโดยเฉพาะพวกที่เป็นอมนุษย์เนี่ยเต้องมีพลังนะ บันคีอย่างนี้ครับสมดว่าเรากำลังติดต่อทางธุรกิจกับคนแต่คนนี้อยู่แต่เราก็ไม่ได้มีเจตนาที่แปล่าเพียรอะไรแต่ทุกอย่างให้มันลงตัวนะในลันกษณนะได้ประโยชน์กันในถ้าเราถ้าเราเป็นทางนี้เราไปบริขัทเขาหรือไปงานไปบ้านเขาเนี่ยนะเราก็แผ่เมตตาแผ่บุญทำบุญให้กับญาติสาโลหิตเขาด้วยนะ ให้ช่วยเราอีกแรงหนะึ่งเพราะฉะนั้นในคนที่ไปทวงนี้บางทีตัวเองไปทวงเขาไม่รู้เนละแต่ว่าพอไปทำบุญให้กับพวกอะไรอะไรบางอย่างเนี่ยนะเออไปทวงให้ได้หมอ น, นันลีมาใช้มีให้เลยเนี่ ย, ยคือไเรื่องนี้จริงไม่จริงนะมันก็ไม่สําคัญเท่ากับมันเกิดผลรําเร็จขึ้นนะนะมันสําคัญตรงนี้แล้วคนระัก่อนแกล้งเกลี้งไวก่อนะขอให้มันได้ความสําเร็จแก้ปัญหาชีวิตได้ก่อน ก็ยังนำว่าไม่เสียหายเพราะเราอาจจะใช้วิธีนึือแล้วมโจนแต้มแล้วเนี่ยก็ต้องมาเพื่งยาบีบอัดตำนองนั้นทีนี้พอแผลให้พ่อแม่ก็ไปถึงปู่ย่าตายายนะฮะที่เป็นบนรรพบุรุษเสิรฟไปปู่ย่าคือพ่อแม่ของพ่อของแม่เสิรฟไปทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้ว มีพ่อผัวแม่ผัวพ่อตาแม่ยายเนี่ยก็อย่าลืมนะครับพ่อแม่ต้องมีพ่อแม่ทั้งของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ปู่ย่าตายายก็ต้องมีปู่ย่าตายายทั้งสองฝ่ายแต่ขอให้เอาฝ่ายตัวนะขึ้นก่อนมันไม่ใช่เป็นความเป็นแค่ตัวแต่ว่าเป็นความที่ว่าไอ้ความเยื่อใยความบุญคุณกว่าเหตุผลที่มันควรจะเป็นไปและความรู้สึกที่เมตที่เป็นเมตตามันจะออกได้ แล้วก็แผ่ไปถึงพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวของพ่อของแม่ถ้าใครรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของแม่มากกว่าก็เริ่มที่แม่ถ้าใครซาบซึ้งในบุญคุณของพ่อมากกว่าก็เอาพ่อเป็นตัวตั้งแต่ถ้าแผ่เมตตาได้เสมอกันแล้วก็อาจจะแผ่ได้กันทั้งคู่ หรือบางทีเนี่ยถ้าเราเราต้องการจะแผ่แผ่เพื่อที่จะแก้ปัญหาได้พลังเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการฝุดจิตะให้เป็นเมตตาแล้วเราก็แผ่พุ่งไปที่คนที่เป็นปัญหาก่อนคนที่มีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งเร่งด่วนก่อนก่อนคนอื่นก็สามารถที่จะทำได้คือมันพลิกแปลงได้ครับจากนั้นก็แผ่ คือแพรไปถึงพ่อแม่ปินอาพี่และน้องของของพ่อของแม่เนี่ยนี่ั้งแพรไปถึงครอบครัวก็ได้คือการแผรไม่ตาเราจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะในแต่ละแบบเนี่ยเราไม่ได้แพรลวๆแต่ละแบบที่ผมว่าเนี่ยเร า, าจจะแพรเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ขยายเวลาได้และเราต้องการละเอียดมากละเอียดน้อยได้ถ้าละเอียดมากเนี่ยเราจะแผรขยายรายละเอียดเช่นแพ่ไปถึงพี่สาวของแม่ อย่างพี่สาวแม่ผมเนี่ยผมรักมากเพราะว่าท่านเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พูดเข้าหูว่าโตขึ้นจะบวชโตขึ้นจะบวชผมไปบวชจนบัดนี้ขัดกันอยู่เรื่องเดียวครับผมบอกว่าห้ามเลี้ยงเหล้ามันก็แบบบ้านนอกอะไรก่อนนะบอกอย่าเลี้ยงให้สิ่งเเสพติดก็คือเขาตำเนียมเขาก็าต่อว่าเองแกก็ ค, คิดแบบบ้านนอกกันะก็เลยขัดคอ ก, กับป้าจนบัตรนี้ีจริงจะเอาจริงๆก็ได้เหมือนกันเลยเลยตามเลยเลยไม่ได้บวชเลยอาจจะตายไปก่อนก็ไม่รู้ทีนี้ ก็ได้สามีก็ดีนะฮะลูกก็ดีแล้วก็เป็นคนมีมีพฤติกรรมมีจริยธรรมดีมากในในในสังคมนั้นนะน ะ, ะปะหยันดนาม้ากินมีฐานะอะไรจะอะไรดีเราก็รู้สึกว่ารักแล้วก็ศรัทธาในเวลาที่แผลเมตาแล้วแผลให้ทั้งครอบครัวเลยเนี่ยว่า ท, วทั้งตัวป้าทั้งลุงเขยแล้วก็ทั้งลูกว่าทั้งมามีหลานเนี่ยนะแผลให้ทุกๆุกคนให้ชัดเจนเลยนะไปก่อนรู้สึกไปก็ มันก็มีผลในเรื่องของความรักใกล้ในหมูย่าในคนที่แผ่ไมตาด้วหมูย่าบ่อยๆมูย่าจะจะรักใคร่แล้วก็จะจะให้ความเคารพยั่งยืผมก็ก็ว่าผมก็ได้อันนี้สองอันนี้กับมูย่าไม่ใช่น้อย <c oughs> บางคนก็ก็เข็มๆอะยากบางคนแต่กับผมก็ไม่กล้าเข็ ม, ม, ม, มะอะไมนะ่ผมก็ไม่กล้าเพราะอะไรน่ะเออไม่กล้าเข็ม พอมีอะไรที่ใช้สอยเขาจมก้นเนี่ยไอกระหนายพวกลูกๆใรุ่นหลังๆเนี่ยนะใครขบ่นว่าเค็มป้าก็ยังบอกในคนนี้อย่าไปคบเพราะมันเค็มแต่ผมไปเกี่ยวข้องเขาที่จะต้องไหว้วานเขาที่ต้องให้เงินกันเนี่ยนะพอเขาทําเสร็จแล้วเขาหนีเลยเราก็ไปตามให้เขาไม่เอาหนีตัวไหมกัวเราจะให้เเ้นียก็ดีเหมือนกันเราก็เอาชนะคนขี้เหนียวได้เหมือนกัน ก, ก, ก็เกิดความ รักใครกันในหมู่ญาติถ้าเราให้ญาติๆของเราเนี่ยทําอย่างนี้นะดังนั้นถ้าในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีเป็นคนแผ่เมตตาเป็นหลักอยู่คนนะ่ะยิ่งมีความสําคัญในครอบครัวมากเท่าไหร่ยิ่งยิ่งจําเป็นมากมว่าพ่อหรือแม่ถ้าจะเอาคนเดียวเนี่ยให้เป็นคนเป็นแผ่เมตตาให้เาว่าจะปกปักได้เหมือนเป็นร่มเงาของครอบครัวคุ้มครองได้อะไรได้เพราะว่า เ, เรื่องอะไรทั้งหลายบางทีเรื่องกรรมเรื่องเอ เขาการ่างทีมันก็เหมือนกับกับคนเราเที่เขาเขารักพ่อหรือเขารักแม่พูเป็นแม่เนี่ยนะเขาเขาลบพ่อเขาลบแม่เขาก็เลยไม่กล้ามาแตะต้องลูกหลานไอ้พวกพูดพีซานอะไรเหมือนกันในทางเนี้ยถ้ามีใครสักคนที่ที่อยู่ในครอบครัวเป็นคนทําบุญให้เขากินอะไระอะไรอย่างเงี้ยนะลูกหลานว่างเปลือก็ไม่กล้ามาแต่ก็ถือว่านี่มันเกี่ยวกับคนที่เขามีบุญคุณกับเขา หรือมีมีมมมจิตเมตตากับเขาเขาก็ดูแลฮ่ะไม่แตะต้องมันมันเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นเจ้าวาดก็เหมือนกันนักวิจัยบอกคุณธรรมเจอาวาดนังนเมียนี่ถึงจะคุ้มครองคนได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เช่นเดียวกันนี้จากพ่ อ, อพี่น้องของพ่อแม่แ้ะไปถึงใครก็พี่น้องของเราถ้ามีครอบครัวแล้วก็แผนะ อตรงนี้น่ะนอกเหนือไปจากพ่าเราจะผูกมิตรกับญาติแล้วแต่บางคนบอกไม่กล้าตัวมาก็ยืมเงินเนลยเลิกแฝงเลยเพรกะแฝงแล้วแหมมันอีลงตรงนัง้ะคือยังมีรายเขาขายที่ได้เนี่ยเรียกว่าแหมขายที่ได้จะรวยไปเลยเป็นญาติทางหากเขาบอกขายที่ไม่ได้เขาญาติญาติก็รักอยู่แล้วพอขายที่ ไ, ได้นี่งยิ่รักใหญ่แล้วมันรักเงินด้วยไอ้บางคนมันเดือดร้อนมาเพก็ยืมเงิน เลยบอกสงสัยต้องเลิกแผลแผลแล้วแทนที่มันจะไม่จะเรายืมเงินมันมายืมเงินนะเราอ่ะนะอตรงนี้น่ะง่ายใจดังไหมก็ต้องบอกว่าไอ้การแผลไม่ถ้าเราเรารู้ว่าเราควรจะทําไม่ถ้าเรามีเมตตาเราก็จะต้องรู้ว่าเราควรจะสงกลรอะไกใได้แก้ไหนถ้ากำลังเรามีเพราะว่าไอ้บุญลึกน้ําใจมันทําแล้วมันไม่สูญเปล่าขอให้ทําอย่างรอบกอบอย่างละเอียดกันแล้นวนะวะโน่นเออมันจะมาขอยืมเงินแล้วเราก็ทําหน้าที่เป็นไอ ธนาคารเท่าไหร่ถาม่าเป็นไงมีว่ายังเป็นอะไรไหนหลังว่ามานะเราแต่ดูเออคนนี้มันเคยเป็นคนดีเคยมีน้ําใจกับเราก็ลูแล้แล้วเราก็ช่วยมันมากหน่อยแล้วก็สอนให้ธรรมะตั้งบดตั้งเกณฑ์นนไปจะได้เป็นคนดีตั้งเนื้อตั้งตัวได้มันไม่ใช่ให้แบบสมสีหรื่มากเป็นเมตตาที่ไม่รอขอบมันก็ได้มีโอกาสช่วยคนให้มันมากขึ้นมันก็ดีไปไม่ต้องไปกลัว ให้ไม่ได้ก็บอกไปให้ไม่ได้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ก็ว่าไปก็ไม่ต้องเป็นกลัวไอ <c oughs> ้บางคนเรามีเมตตาอาจจะไม่ให้ก็ได้แล้วแต่เหตุผลนะหรืออาจจะตั้งข้อแม้แ ว, ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ก่อนก็ได้แลกเปลี่ยนกัน <c oughs> ถ้ากัวจริงๆก็แผลให้เข้ามาแผลให้มาใบอื่นเนะ่ะ แต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของเมตตาเราแหละครับเมตตาเราแค่ไหนเราก็ทําไปตามความเป็นจริงของตัวเราเพราะว่าคุณธรรมมันก็เหมือนกระทัพฝินที่เรามีเราจะให้เกินจริงมันไม่ได้เราก็เดือดร้อนมี่พอเดือดร้อนแล้วบางคนคุณธรรมน้อยหรืออทางของที่จะดูแลแก้ไขตัวเองน้อยมันก็กลายเป็นความเดือดร้อนใจ าคนไหนมีคุณธรรมสูงก็สามารถที่จะให้ได้มากเอาอยู่เหนือความเดือดร้อนหรืออยู่เหนือปัญหาที่จะทำความเดือดร้อนไม่ได้่นาจาัดพี่น้องก็แผ่ไปยังเพื่อนฝูงที่เคารพนับถือ อันนี้ก็แพ่โดยลําดับหมู่ญาติท่านจะเติมรายละเอียดอื่นๆลงไปให้ยิ่งกว่า น, นี้ก็สามารถที่จะทําได้อเทีนี้ว่าเมื่อแพ่โดยลําดับมญาติโดยลําดับหมู่ญาติแล้วอันหนึ่งเรียกว่าแพ่โดยลําดับทิศทิศนี่มันมีสองแบบนะคือทิศทางกับทิศในแง่สังคมเคยได้ยินเรื่องทิศหกไหมทิศหก ที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งคารกาบานก็คนแต่ละคนจะมีทิศตกทิศตกกะทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องซ้ายเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องหลังทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างจําได้นะครับว่าทิศเบื้องหน้าคืออะไรอะไรเป็นทิศเบื้องหน้าพ่อแม่เป็นทิศเบื้องหน้าเปรียบเมืนทิศเบื้องหน้าแล้วก็ บุตรภรรยาเหมือนทิศเบื้องหลังผู้ตามสามีก็เหมือนกันเปรียบเหมือนทิศเบื้องหลังบังเอินท่านสอนผู้ชายประทิศเบื้องหน้านี้จะเอาใครมาใส่ช้างสานหน้ามาไว้ข้างหน้าไม่ได้แล้วเพระาะช้งทสางหน้าคือพ่อแม่ที่ต้องลึกถึงก่อนเป็นบุพคลบุพคาจารย์อะไรทั้งหลายเนี่ยหมดเลยคือพ่อแม่ในทิศเบื้องหลง และทิศเบื้องซ้ายเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์อยู่ทางทิศเบื้องขวาจะเป็นครูทางโลกทางธรรมะทีะนี้เราแต่ละคนเรามีครูบาอาจารย์กันคนละเยอะๆแต่ก็คงไม่ไม่มากเท่ากับผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์มีสิบเยอะกว่าครูบาอาจารย์ของตัว ใช่ไหมอาจารย์ส อ, อนหลายที่ก็มีลูกฝึกเยอะแต่ครูบาอาจารย์ถึงจะมากไงก็คงจะน้อยกว่าทีนี้ไอเวลาเราแผลให้ครูบาอาจารย์เนี่ยเราเคยไหมฮะเคยไหมแผ่ให้ครูบาอาจารย์ผมเนี่ยผมแผ่ให้กับครูบาอาจารย์ชั้นประถมชั้นชั้นที่ที่ผมเรียนชั้นประถมน ะ, ะแล้ว ก, ก็มีครูคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ารักใกล้ามากเคารพมากเป็นครูที่ดีแล้วครูคนอื่นก็มีแต่ก็ เราก็เริ่มใส่น้อยนะก็จะแผลให้ครูคนนั้นมากแผลครอบคัวครูเวลาแผไม่ตาแผลให้ครูคนนี้แหลงแล้วมันก็มีผลจริ ง, รงๆครับขนาดไม่ได้เจอกันมานั่นแะนะเวลาครูเจอญาติเนี่ยจะต้องถามผม ถ, ถึงผมทุกครั้งเลยตั้งการเรียนจบป .4 มาจนบัดนี้ผมก็ยังไม่ไปเจอครูแตถามถึงทุกครั้งเลยเจอญาติเขาจะต้องถามเนี่ยครูเห็นถามถึง เห็นทาถึงทุกคนไปที่เจอผมก็เชื่อ